รายการธรรมสาระต่อไปนี้ขอเสนออัตาชีวประวัติของวสิลอินทสระซึ่งเรียบเรียงโดยอาจารย์วสิลอินทสระจัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2552โดยห้องหนังสือเรือนธรรมคำนำจากผู้เรียบเรียงเมื่อข้าพเจ้าทำหนังสือเรื่องการเผยแผ่าศาสนา ความเข้าใจหลักศาสนาและการพัฒนาชีวิตด้วยกุณธรรมเพื่อแจกในงานทำบุญอายุครบ60ปีเมื่อ17กันยายนพุทธศักราช2537ันระเจข้าพเจ้าได้ปร่ารบไว้ในคำนำตอนหนึ่งว่าแม้ตั้งใจจะเขียนประวัติของตนเองอย่างย่อๆไว้บ้างในหนังสือเล่มนี้ก็ยังทำไม่ได้รู้สึกว่าทำได้ยากอย่างยิ่ง สมตามที่อับราฮัมคลาวลีย์เขียนไว้ว่าการเขียนประวัติตัวเองนั้นแม้จะสนุกแต่ยากเพราะถ้าเขียนในทางลบก็จะกระเทือนใจผู้เขียนเองถ้าเขียนในเชิงบวกคือยกย่องตัวเองก็จะกระเทือนหูผู้อ่านข้าพเจ้าจึงไม่ได้เขียนประวัติของตนเองเมื่อสิบสองปีก่อนมาถึงบัดนี้ข้าพเจ้าตัดสินใจเขียนประวัติของตนเอง โดยพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เป็นไปในเชิงบวกหรือเชิงลบแต่เล่าไปตามที่เป็นจริงนอกจากนี้ยังหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงผู้อื่นในทางไม่ดีแม้จะประสบมาเป็นอันมากก็ตามมีตัวอย่างที่ท่านผู้ใหญ่ได้ทำไว้ก่อนเป็นอันมากเช่นพระประวัติตรัสเล่าของสมเด็จพระมหาส ม, มาณะเจ้ากรมมะพระยาวาชิรยานวโรร ได้ตรัเล่าประวัติของพระองค์ไว้อย่างน่าสนใจน่าอ่านและได้คติได้ประโยชน์แก่พวกเรามากมายพระยาอนุมานราชทนหรือยงเสถียรโกเศศหรือที่พวกเราส่วนมากรู้จักท่านในนามเสถียรโกเศศได้เขียนหนังสือชื่ออัตตะชีวประวัติของท่านไว้อย่างน่าสนใจยิ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช 2,512 อาจารย์พลตรีหลวงวิจิตวาทการก็ได้เขียนประวัติของท่านไว้อาจารย์กรุณากุศลาสายได้เขียนเรื่องราวของท่านเองไว้เป็นทํานองจดหมายถึงลูกเชื่อหนังสือชีวิตที่เลือกไม่ได้ชื่อรองว่าอัตตาชีวประวัติของผู้ที่เกิดในแผ่นดินไทยคนหนึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2529 ท่านอาจารย์พุทธาตได้เล่าชีวประวัติของท่านไว้ในหนังสือชื่อเล่าไว้เมื่อไวสนธยาเพียงเมื่อพุทธศักราช 2,535 มีตัวอย่างที่ท่านผู้อ่านสนใจอ่านแล้วได้ประโยชน์ได้คติชีวิตมากมายหลวงวิจิตวาทการนั้นเป็นนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากเขียนอะไรก็น่าอ่าน เมื่อเขียนชีวประวัติของท่านจะน่าอ่านสักเพียงไรด้วยเห็นตัวอย่างเหล่านี้ข้าพเจ้าจึงกล้าเขียนประวัติของตนด้วยหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่อนุชนคนรุ่นหลังหรือแม้แก่ผู้ที่มีชีวิตร่วมยุคกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าตระหนักอยู่เสมอว่าข้าพเจ้าไม่ใช่คนสมคัญและไม่ถึงระดับที่จะได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลสำคัญ แต่ข้าพเจ้าก็ภูมิใจว่าเกิดมาในพระพุทธศาสนาเกิดมาในสังคมได้ทำประโยชน์ไว้แก่พระพุทธศาสนาและแก่สังคมด้วยเรี่ยวแรงและความสามารถเท่าที่ข้าพเจ้ามีเพื่อเป็นการใช้หนี้พระศาสนาและสังคมที่ได้เลี้ยงดูอุ้มชูข้าพเจ้ามาหลังจากที่พ่อแม่ของข้าพเจ้าได้สิ้นชีวิตแล้วตั้งแต่ข้าพเจ้าอายุห้าขวบ ด้วยความดำริและเหตุผลดังกล่าวมาข้าพเจ้าจึงได้เขียนชีวประวัติไว้เพียงเล็กน้อยอย่างที่ท่านเห็นอยู่นี้วสินอินทศรา11กรกฎาคมพุทธศักราช2549